ควรจะยงทุกคนนะตามรทมบัตรไม่ใช่สิ่งแค่การสวดมนต์หรือว่าการอ่านจากหนังสือเท่านั้นแต่เราอ่านสิ่งที่เป็นความจริงนะที่อยูนตัวหนังสือมันก็เป็นความจริงในชีวิตของเราด้วยเราอ่านเราเห็น ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์เราไปเห็นหนังสือก็เขียนไว้แบบนั้นเศรษฐายเราเห็นจริงตามที่เราได้อ่านตามเรื่องในสวดต่างๆถ้าเราเห็นว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายของผู้ื่ของคนที่เราเกี่ยวข้องก็นำมาเป็นความทุกข์ แก่ตัวเราด้วยคนวะามเกิดความแก่ความเจ็บความตายที่เกิดขึ้นเป็นตัวของเราเองก็ลามาด้วยความทุกข์ในใจของเราเองด้วยแล้วก็ลามาด้วยความทุกข์แก่คนรอบข้างด้วยในถ้าเราเห็นว่าเนี้ยกัดแก่การเก็บการตายนี่เป็นเรื่องของความทุกข์แต่จริงอันนั้นคือความทุกข์ในระดณะที่กว้างหรือว่าจะเปลี่ยนแบบรแรงนะแต่ที่จริง ควาเกิดความแก่กับมเจ็บความตายที่มันเกิดดับไปๆก็คือการที่เราเกิดไปยิดอะไรนะเกิดเปสำคัญบางอย่ายว่าอะไรสิของเราเป็นยิดมั่นว่าอันนี้ฉันชอบอันนี้ฉันไม่ชอบไปยึดอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในแต่ละวันก็เป็นของเราได้ตัวนั้นแหละมันจะเกิการเกิดขึ้นแล้วก็การดับไปของอารมณ์ได้ไปๆถ้าเราไปยิดมากเท่าไรเราประสบมากเท่านั้นนะ บางทีเราเห็นว่าอย่างบางคนเราบางทีก็เจ็บไข้ได้ป่วยบางทีก็นานมาทีหรือบางทีก็ถ้ายึดมากแล้วก็มาไหวขึ้นก็จะจะทุกข์แค่ตอนนั้นหรือแม้แต่ความตายจากคนที่ใกล้ตัวเรามันก็นานมาทีแต่ถ้าเราเห็นว่าอารมณ์ที่เราไปยึดไว้ว่าเป็นของเราเนี่ยตอนแนั้นมันเกิดขึ้นมาทีอารมณ์ที่เกิดขึ้นที่เป็นสุขหรือทุกข์ หรว่าเฉยเป็นสิ่งที่ชอบใจเรือสิ่งที่ไม่ชอบใจเกิดขึ้เนเกิดขึ้นมาแล้วถ้าเราพิจารอารมณ์ตอนนั้นนะอันนั้นอ่ะนํามาึุกความทุกใจที่เรียกว่าเป็นมหันต่อภัยที่เกิดใกล้ตัวที่สุดนะเกิดใกล้ตัวที่สุดะว่าเกิดที่ไหนมันไม่เกิดจากคนรอบข้างแต่มันเกิดขึ้นในใจของเราเมื่อภัยชนินี้เกิดขึ้นที่ใจของเรานะมันไม่สามารถแก้ที่อื่นได้นะไม่สามารถแก้ ที่อื่นได้ไม่ต้องแก้ที่ใจของเราเท่านั้นภัรในวัฏสงสารภัยที่เกิดจากความนิ่มั่นหรือมั่นอีกต่างๆไว้เนี่ยแหละเป็นภัยที่เราต้องแก้ให้ได้นะส่วใหญ่เรามักจะไปแก้ไขป้องกันภัยภายนอกซึ่งมันแก้ไขป้องกันไว้ได้เด็ดขาดเนาะ อ, อย่างที่เราได้เห็นสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ในประเทศที่มีการเกิดภัยเรื่อง แต่หนึ่งไหวที่ดีที่สุดในโลกก็ยังไม่ค้นจากภัยที่บัตรของธรรมชาติเป็นเก่งขนาดไหนจะเตรียมพร้อมขนาดไหน ก, ก็ต้องทำนะก็ต้องทําแต่เราก็เห็นว่าเราต้องมีความสามารถอยู่เหนือธรรมชาติได้นะธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นนะที่มันเนปลี่ยนแปลหรือที่มันหรือสิ่งที่เรียกว่าอะไรก็จะเกิดมันก็ต้องเกิด น, นะแต่เกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่ใช่ว่าไปโทษว่าทําไมมันมันเกิด น, นะ จะเกิดขึ้นมาแล้วเราจะเรียนรู้อย่างไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นชีวิตหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตของเราก็เหมือนกันเนาะบางทีเรามากักจะเกิดโ้ษว่าทําไมถึงต้องเกิดกับเราทําไมถึงต้องเกิดคนรอบข้างเราทําไมคนอื่นคน น, นั้คนคนนี้ต้องทํากับเราอย่างนั้นอย่างนี้ทําไมเราต้องเจอเรื่องอั น, นนี้ด้วยบางทีความทุกข์มันเกิดจากคําถามที่ว่าทำไมทําไมทําไมแต่คําว่าทําไมก็ไม่เคยมีคําตอบให้กับตัวเอ ง, เองสักที หรือแม้มีคําตอบก็ไม่เคยถูกใจเตยสักทีแต่ถ้าเราเรากลับมาย้อนดูจรงว่าเราไม่ต้องย้อนกลับไปถามไปหาคําตอบว่าทําไมแต่เราลองตั้งคําถามใหม่หรือว่าให้คําตอบของละเองใหม่ว่าแล้วเราจะอยู่อย่างไรต่อไปกับสภาวะที่มันเกิดขึ้นใช่ไหมผมว่าตรงเนี้จะเป็นสิ่งที่สําคัญกว่าในการที่จะย้อนไปถามว่าทําไมสิ่งต่างที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตนของเรา แต่เราควรจะถามว่าเราจะอยู่กับสิ่ที่มันเป็นแนบนี้อย่างไรนะแล้วต่อไปเราจะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไรอรงนี้เป็นสิ่งที่ที่ชื่อว่ามันน่าจะมีค่าแล้วก็เป็นคําตอบซึ่เรียกว่าคำได้จริงมากกว่านะคําถามว่าทําไมมันเป็นแค่คําตอบในการอธิบายปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วแต่คําถามที่ว่าอย่างไรนะต่อไปเราจะอยู่อย่างไรจะทําอะไรต่อไป ในตอนนี้แล้วก็นาพ้นก็เป็นคำถามสู่ภาพการปฏิบัติบนะางทีชีวิตของเราเจอความสูญเสียชีวิตเจอปัญหานะเจอปัญหาบางอย่างเราก็จะถามเองว่าต่อไปเราจอยู่อย่างไรนะอยู่อย่างไรปัญหามันจะไม่กลายเป็นความทุกข์ใจปัญหามันก็เป็นสพีงแค่ปัญหาสินะ่ง ท, ที่เกิดขึ้นในตอนนี้มันก็เป็นเพียแก่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ต่อไปเปราจะอยู่กับมันอย่างไรมานะว่าตอนนี้เป็นสิ่งที่ ที่สําคัญที่สุดเป็นการมีชีวิตนะการไม่มีชีวิตยอยู่ในโลกนี้การได้เกิดมาในโลกนี้แล้วก็วจะเป็นตคงถามว่าเราเกิดมาทำไมอาจจะถามก็ได้นะแต่พวกสิที่เป็นคาตอบที่อาจจะสามารถที่จะเกนะเราจะอยู่ต่อไปกับโลกนี้อย่างไรนะอยู่กับโลกใบนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงของภัยธรรมชาติภัยสังคมนะหรือเป็นภัยใกล้ๆตัวซี่มันมากมายมหาศาลและที่สําคัญเราอยู่อย่างไร กับไฟที่มันเกิดขึ้นในใจของเราด้วยนะไยที่มันเกิดขึ้นจากความที่เรารู้ไม่เข้าใจิตใจของเราเนี่ยแหละภัยที่เกิดขึ้นจากความหลงที่สะสมมาไม่รู้ทิ่พบสี่ชาติหลงไปรักหลงไปชั่งหลงไปเกลียดหลงไปกลัวหลงไปวิจกบังวลต่างๆอันนี้เป็นัยที่ใกล้ชัวร์แล้วเกิดขึ้นตลอดเวลานะารเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติมันมีความพยากรมีการอนุมานอะไรต่างๆต่ อ, อได้ แต่การเปลี่ยนแปลงในจิตใจมีแต่เราเท่านั้นที่จะพยากรณ์ที่จะบอกเองได้ที่จะรู้ถึงอารมณ์เองได้ดังนั้นอาตมาก็อยากจะเชิญชวนพวกเรากลับมาดูดูภัยที่มันเกิดขึ้นในจิตใจของเราเนี่ยแหละนะภัยที่เกิดจากความไม่รู้ภัยที่เกิดจากความหลงในจิตใจของเราเนี่ยแหละนะเรามาช่วยกันระรับภัยที่บัจจุบัเกิดขึ้นในใจของเราถ้าเราระรับภัยที่ปัจจุบันเกิดขึ้น ของความไม่รู้ของความหลของเราได้ตอนนั้นเราด้เห็นเลยว่าชีวิตที่มีความสงบชีวิตที่มีความสุขชีวิตที่เรียกว่าปลอดภัยมันเป็นอย่างไรความปลอดภัยตรงนี้นะเป็นสิ่งที่เราสามารถสร้างได้แนะม้จะมีปัญหาในชีวิตนะแต่ตที่จะปลอดภัยจากความทุกข์ดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะการที่เรามีสติในการใช้ชีวิตนี่แหละ กานที้เรามีสติคอยรู้เท่าทันอ่าเวลาที่เราทําอะไรที่แหละมันจะทําให้ชีวิตของเราปลอดภัยแล้วก็อะไรทุกได้อชีวิตเราจะปลอดภัยเราไร้ทุกได้ถ้าเรามีสติน ะ, ะวันนี้เรามาเรียนรูนะ้ในการตุกสติจิตใจเราเออกไปทําไหนกลับมาก่อนนะอย่ากลั่นความก่อนนะมีสติหรือยังในการที่รู้นะ รู้สิ่งที่เรากระดังกระทําอยู่ตอนนี้นะเราตั้งใจอยู่ตัวเองดูมีสติก็คือการที่รู้ว่าตเองกำลังทําอะไรอยู่ตอนนี้อย่างตอนนี้นะเรานั่งอยู่ให้เรากลับมาแล้วรู้ว่ากําลังนั่งอยู่เราฟังอยู่ให้กลับมารู้ว่าเรากำลังฟังอยู่เราจะทําอะไรก็แล้วแต่ให้กลับมารู้รู้กับสิ่งที่กําลังทำนั่นแหละ การมีสติแล้วการมีสตินะมันเป็นการเรียกว่ามันเป็นการตัดไปและงับไปไฟเกิดขึ้นนะมันก็เป็นการตัดไปมือนเรามีเทปที่คัตอยู่ในบ้านเดือนพอเกิดไปไม่พอเกิดไปรั่วนะเทปที่คัตก็ตัดไฟตัดวงจอที่มันชอตที่มันรั่วได้การมีสติก็เป็นเทปติ่คัตให้กับจิตใจของเราเหมือนกันพวามมันมีอารมณ์เกิดขึ้นความรู้สึกเกิดขึ้นที่เราไปยึด ที่เราไปรักที่เราไปชอบที่เราไปเขียนนะมันก็ตัดตรง น, นั้นได้นะสตินี่เป็นธรรมที่เรียกว่ามีอุปการณ์มากจริงจริงถ้าทำไหนที่ไม่ทำไปแล้วไ ม, ไม่ประกอบด้วยสตินะไม่ประกอบด้วยปัญญาทำตรงนั้นพระเบิร์ตจ้าไม่สรรเสริญเลยนะแม้เราจะทําบุญทาทานมากขนาดไหนแม้เราจะพยายามรักษาสิ่เข้่งคัดขนาดไหนแม้เราจ ะ, จะเจริญสมาธิขนาดไหนแต่ถ้าทําแล้วไม่ประกอบด้วยการมีสติเรื่องมีปัญญา อันนั้นยังไม่ไดนะ้ทางที่พระพุทธเจ้าท่าสอนการทำบุญทำทานการารักษาิีลการทําสมาธิมีมาตั้งแต่ก่อนสมัยพุทธกาละนะแต่สิ่งที่พระเจ้าท่านสอนถ้าก็ไม่ได้เสธสิ่งที่ตั้งแต่สมัยพุทธกาลท่านมีนะแต่ถ้ามาเสริมต่อมาต่อ ย, ยอดให้นะมาต่อ ย, ยอดว่าสิ่งที่จะดีงามเากฉะนั้นคือต้องมีสติแล้วก็มีสัญญาด้วยคล้ายจะเปรียบเสมือนเปรียกเสมือนดินนะ ดินที่มันมีอยู่แล้วในอดีตนะถ้าก็ไม่ต้องเรียกว่าไปรื้อดินใหม่ใหม่ไปขุดดินใหม่อดินเออกขุดดินเก่าเอาดินใหม่ก็มาเสริมไม่ใช่ทิ่ที่มันดีงามอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วท่านก็เพีแค่ปลูกต้นไม้ที่ให้มันงอกงามขึ้นไปนะให้มันงอกงามการมีสติการมีปัญญ า, ะาจะช่วยให้ชีวิตของเราพ้นจากภั ไ, ได้นะพ้นจากภัในการที่ภัยมันก็จะตัสงสาร ใครในการมีนไหวใจเกิดใครในการที่มั่นอื่นมั่นใครตัวนี้นะถ้าเราสุดให้ดีนะมันจะเป็นความปลอดภัยที่แท้จริงนะความปลอดภัยที่แท้จริงกลับมากลับมารู้สึกนะกับการกระทําของเราเองกลับมาอยู่กับตัวเราให้มัได้นะถ้าเราอยู่กับตัวถ้าเราไม่ได้เราไม่รู้สิง่งที่เราทําในตอนนี้นะจิตใจเราก็จะล่องลอยไปที่อื่นนะจิตใจมันจะล่องลอยไปกับความคิด ตัวสําคัญที่เกิดคือความคิดนี่แหละเป็นภัยที่สําคัญมากคิดปรุแต่สารพัดเรื่องราววันวันหนึ่งพวกเราคิดกันหลายหมื่นครั้งนะวันวันหนึ่งพวกเราคิดกันมากมายเลยแล้วก็เราเป็นภัยที่คือเราหุดความคิดไม่ได้พวกเราถูกฝึกให้เป็นคนที่คิดเก่งนะถูกฝึกให้ใช้ความคิดอาจจะคิดกล้พูดอาจจะคิดแล้วทำหรือเปล่าแต่แน่นอนทุกคนคิดได้คิดเก่งกัน แต่สิ่งที่เราทําไม่ได้คือการหยุดความคิดการพักความคิดนะอันนั้นสิ่งนี้ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าต้องฝึกทําไม่ได้นะมีมีด็อกเตอร์บางคนนะเคยเล่าในฝั่งบอกตอนที่เขาเรียนด็อกเตอร์เนี่ยเขานอนไม่หลับเลยเครียดมากคิดมากนอนไม่หลับวามาฝึกนะพอฝึกแล้วค่อยรู้จักว่าเออการที่วางความคิดการที่หยุดความคิดมันเป็นอย่างไร เขาบอกไม่เคยถ้าใครไม่เคยนอนไม่ดลับเป็นเวลาตอนนื่เป็นหลายๆปีก็จะไม่รู้เลยว่าการที่นอนหลับอย่างไม่ไม่ว่าเป็นพักจริงๆนะไม่ต้องหมกมุ่นกับความคิดมันเป็นความเบาความสบายขนาดไหนบางคนอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นเนาะแต่ก็สังเกตได้ว่าโรคที่เกิดจากความคิดนะใ น, ในการนอนก็ดีหรือความคิดที่เกิดในขณะที่อารมณ์เกิดขึ้นก็ดีเนาะ มัเป็นภัยซึ้นโอ้เราก็เห็นแล้วความปวดเราก็รู้มันไม่ดีเนาะความปวดก็รู้มไม่ดีความหลงก็รู้มไม่ดีความรักมาเกินไปรักที่เป็นราคะรักรกในทางครอบครองหรือว่าเสตุการที่เรียกว่ามั่นรึอมันมันก็ไม่ดีเหมือนกันเนะี่ยถ้าเราเห็นว่าตัวนี้เป็นภัยแต่บางคนส่วนใหญ่ก็รู้ว่าสิ่งเนี้ยมันเป็นภัยเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่เราก็จะไม่มีวิธีไม่มีเครื่องมือที่จะออกจากมันได้ ก็อยากให้รู้ว่าเนี่ยวิธีที่เราจะมีเครื่องมือแล้วว่าจะออกจากมันได้นะพวกเราต้องกลับมาดูตัวเองให้ไป็นไหวกลับมาเห็นคนไกการทํางานของมันคนไกในการที่ทำไมจิตมังต่ำมันเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วเราไปยึดมันได้อย่างไรแล้ววิธีจะออกจากการยึดมั่นจะเป็นอย่างไรมันต้องกลับมาเห็นอย่างนี้นะเรียกว่าเห็นคนไกในการทํางานของมันพอเราเห็นคนไกในการทํางานของมันนะเราก็จะออกจากมันได้ เราเห็นกลไกในการทำงานของจิตนี่แหละนะจิตมันแสดงคนไกก่อนที่มันจะเข้าไปยึดมันเป็นอย่างไรขณะที่มันยึดมันมีอาการเป็นอย่างไรแล้วขณะที่มันปล่อยวางการยึดมั่นได้มันเป็นอย่างไรเนี่ยการีสติมันจะตัดมาเห็นอาการตรงนี้ยแล้วกลับมมาแก้ได้ซึ่งสิ่งต่างวันนี้นะผมมันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากนะเพราะพระเจ้าท่านตัดเรื่องนี้มาเกือบสองันหรอยปีนะปีหน้าครบ เรียกว่า26ปศวัตที่ทูตเจ้าท่านเรียกว่าปัจจา ร, รู้ธรรมะและ้วก็ประกาศธรรมะแก่พวกเราแล้วนะ26 2,600 ปีนะนี่ทูตเจ้าท่านสอนเรื่องนี้นะเป็นสิ่งที่อศัศจรรย์มากเป็นการที่ว่ากลับมาค้นพบหรือว่าประการรู้ตัวเองอย่างแท้จริงนะพวกเร า, าสุดผลเรียนรู้ตรงนี้แล้วอีกอย่างหลายคนนทีน่้ก็อาจจะยังไม่รู้นะอาจจะมากบบจับทักจับผูหรือว่ามาแบบรู้นะ นี้ก็เป็นครบรอบหนึ่งร้อยปีของการไม่ว่าการเกิดของหลวงพ่อเทียนเทศนาก น, นะที่พวกเราเห็นป้ายว่าวีพร ะ, ะหรือว่าพวกเรามาปฏิบัติการเจริญสติตามแนวทางของหลวงพ่อเทียนนะหลวงพ่ทียนถ้าท่านมีชีวิตอยู่ปีนี้ก็เรียกว่าครบรอบ้อยปีเป็นาการหนึ่งร้อยปีของหลวงพ่อเทียนนะท่านก็เป็นชาวบ้านธรรมดาไม่ได้เรียนหนังสือหนังหาแต่เป็นคนที่ใฝ่หาธรรมะ แต่คนที่ใฝหาการําบุรณคนที่ใฝหาความดีงามของชีวิตนะแล้วท่านก็ใฝหาจนาต้องพบนะในช่วงกำลังของชีวิตท่านนะกำลังชีวิตท่านท่านก็พบว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดนะที่แต่ก่อนท่านพยายามค้นหาที่จริงมันอยู่แค่การกลับมารู้ตัวเองเท่านั้นก็ค้นพบแล้วว่าจริงธรรมะมันอยู่ที่ตัวของเราเองเท่านั้นการฝึกสตินี่แหละป็นสิ่งที่สําคัญให้ท่านกลับมารู้จักตัวเองแล้วก็ รู้แล้วก็ถอนความทุกที่มันเกิดขึ้นใ น, นตัวของเราอีกได้นะนนเนี่ยหลวงพ่อเรียท่าก่อนสิ่งนี้ไว้แก่พวกเราแม้ท่านจะหมดล้ำค่าไปแล้วนะสามยี่สิบกว่าปีแล้วแหลนะนานแต่คําสอนท่านก็ยังอยู่เหมือนคําสอนของพุทธเจ้าที่ท่านประดิษฐานไปแล้วก็ยังอยู่เหมือนกันเนาะพวกเรามาเรียกว่ามาพิสูจน์ ด, ดูคําสอนถ้าเป็นของจริงนะมันไม่มียุคไม่มีสมัยไม่มีการไมร่ไม่มีเวลากับ ถ้าของจริงมันก็ต้องทสต่อการพิสูจน์ได้นะของจริงก็ต้องประสบผลได้จริงแม้ไม่มีคนสอนแต่ว่าเราสามารถสัมผัสสามารถเราเห็นได้นะเราก็สามารถที่จะค้นพบได้เหมาอนกันนะของจริงไม่อยู่ที่ไหนนะอยู่ที่ใจของเราทุกคนนี่แหละเรากลับมาค้นหาขอมจริงที่มันเกิดขึ้นในใจของเราค้นหาคนไกลที่มันทางานของกี่เรแล้วก็จะถอนเชนวน คนกายที่มันพาที่เกิดเป็นความทุกข์ได้นะมากลับมาดูตัวของเราเองให้มากที่สุด อ, อัตมา ก, ก็มาเป็นเพื่อนมามาแนะนําแล้วก็มามาปฏิบททัติธรรมร่วมกับพวกเรานะหรือว่าถ้ามีอะไรสงสัยก็สอบถามกันได้ในฐานะที่เป็นเพื่อนร่วมทางในการเดินทางของาาความทุกข์นะพวกเราทุกคนก็คงเป็นคนที่ตั้งใจที่จะเรียนรู้ตัวเองแล้วก็พยายามออกจากความทุกขนะ์เนาะเราเคยมีทุกข์ พอเราเคยมีปัญหาแต่คราวนี้เราจะมาแก้ทุกนะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในใจให้มันได้นะอาจจะเคยมีปัญหามาขนาดไหนมีความทุกข์มาขนาดไหนแต่นั้นไม่สําคัญนะมาสำคัญว่าตอนนี้เราจะพยายามแก้ทุกข์ให้เกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดแก้ได้เท่าไหร่เราเป็นคนพบว่าความมีทุกข์มันก็มีตรงนั้นเองนะไม่ต้องไปแก้ที่ไหนแก้ที่ใจของเราเท่านั้นถ้าแก้ที่ใจของเราได้แล้วเนาะ ความทุกข์มันปลดปล่อยออกไปนะปลดปล่อยออกไปปัญหาในชีวิตมันก็จะคลี่คลายมากขึ้นนะแต่ปัญหาภายนอกบางทีมันก็ยังมีอยู่แต่ความทุกข์ใจมันจะไม่มีนะปัญหาเขาเป็นสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ที่ทุกคนต้องต้องต้องมีต้องประสบแต่ความทุกข์เป็นสิ่งที่เราสามารถแก้ได้นะเป็นสิ่งที่เราสามารถแก้ไขได้ก็อยากให้เราแก้ไขความทุกข์พุทธญาติท่านไม่สอนเรื่องอะไรมาก as, นะาามายนะก็สอนแค่เรื่องของความทุกข์ แลสอนเรื่องวิธีการออกจากความทุกข์สอแค่นี้นะพุทธศาสนาเน้นหนักที่ตรงนี้พวกเราอย่าไปหรือว่าจากต้นเชิงปลายไม่ถูกถ้าสอนแค่เรื่องทุกข์เรื่องทุกข์เกิดจากอะไรดูให้มันชัดดูหให้มันเห็นวิธีแก้ทุกข์เกิดจากอะไรเกิดเกิดได้อย่างไรอ่าศึกษาให้มันชัดแล้วก็ปฏิบัติให้มันจ่มแจ้งแค่นี้เองนะเราทําให้มันมากๆากใช่ไหมครับบางทีเราจะรู้ แต่อยางทําไม่ฉํานานก็ยังเหลือว่าทําให้ความรูนะ้นั้นให้มั น, น, นมทํางานนั่นคือจะถ้ามันครอบตัวเจนทั้งมันหมดนะมันหมดวิธีการทํานะมันจบแล้วนะออเรียกว่าพอแล้วนะเ<ม>อฝากพวกเราไว้นะหลายๆคนก็มาเคยมากันแล้วแต่เปิดใหญ่มาใหม่ใช่ไหมโยนะมย้อนกลับอยากจะไม่เคยได้ฝึกปฏิบัติครับกันนะ มีใครยังไม่เคยเรียว่าจะไม่เคยฝึกปฏิบัติสมมติฐานอะเลยเด็กๆ ด, ด้วยเนาะวันนี้ปิดเธอมมีเด็กๆอยูนน <S 2> <S 2> ยนย่นะแต่ยกมือสู่ๆนายโยมนะใครยังไม่เคยฝึก อ, อวันนี้ท่านใจมาฝึกกำลังานใจใช่ไหมนะท่าใจมาฝึกเนาะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งคนแก่เนาะอืะอยู่แม้แต่คนคนใหม่ที่มาจะที่อื่นเนาะ มาฝึกกันเนะเาะการมารไม่ใช่เรื่องยากนะไม่ใช่เรื่องยากอ่ามันเป็นเรื่องง่ายๆเรื่องใกล้ตัวนะเป็นเรื่องง่ายๆอย่าง ต, ตอนเนี้พวกเรานั่งอยู่เนาะพวรู้สึกเด่นที่ตรงไหนเด่นที่ตรงไหนเด่นที่พ้นสะพัดหรอือไหมรูม้สึกเด่นไหม หือใครอยู่ใกล้ใกล้แอร์ลมแอร์จะพบรู้สึกหนาวไหมรู้สึกชัดไหมว่ากายมันเย็นมันหนาวหรือใครดูลมหายใจดึงชินความรู้สึกอยู่กับลมหายใจที่เข้าที่ออกรู้สึกไหมรู้สึกนะหรือใครใคยสึก ด, ดูจิตดูใจอ่าไม่ไปสนใจกายแค่เห็นใจใจที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ตัดไป อนนี้นะคือสิ่งที่กำลังทำในตอนนี้กนะายหรือใจแสดงอะไรเกิดขึ้นอะไรที่เข้าเด็ดก็ปรากฏชัดขึ้นมาเราก็เห็นมันแบบนั้นแหละนะอย่างในห้องนี้อาจจะมาะเฉยที่สุดเช่นต้องจับไม้ต้องพูดนะ่พวกเราก็เห็นนะก็จะมาสนใจที่ตรงนี้ทั้งที่ก็มีคนอยู่ตรงนี้สามสิบสองคนใช่ไหมแต่พอมีอะไรเด็ดขึ้นมาสักคนเราก็จะเห็นที่ตรงนั้นเห่นไหมจิตใจของเราก็เหมือนกันนะหรือว่าร่างกายของเราก็เหมือนกัน มันไม่จําเป็นว่าจะต้องเห็นทุกอย่างเข้ากันไม่จำเป็นต้องเห็นทุกอย่างแล้วกันแต่อาการอะไรที่มันถึงขึ้นแล้วเด่นในตอนนั้นในปัจจุบันนั้นเราดูมันดูมันแสดงแย่ตอนเนี้ยยกกระดูกดมาแสดงแล้วกันนะแล้วก็เราก็สังเกตนะเราก็สังเกตจิตใจหรือเร่จจร่างกายของเราเองว่ามันแะไรอะไรที่มันแสดงเกิดขึ้นแสดงอาการไหนเช่นตอนนี้บางคนนั่งนานปวดเมื่อยแสดงความเจ็บ แต่จะลุกขึ้นไปยืนอย่างไว้นั่งพื้นปวดขาปวดก้นปวดหลัง อ, อันนั้นมันเด่นมาแสดงให้เราเห็นเราก็ดูมันะเราดูมันหรือบางทีเราอาจจะไม่ใช่เรียกว่าไปคว้านหาดูเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเรื่อยมันก็เลยมีเรื่องสิ่งที่เรียกว่าติดกรรมฐานสร้างอะไรสักอย่างมันเด่นขึ้นมาสักอย่างสร้างอะไรขึ้นมาให้มันเด่นสักอย่าง มันไม่มีอะไรเด่นเราก ไ, ได้รู้ส่วนนี้ที่เราตามคึอเปิดเปิดเป็นกรรมฐานในวิธีการปฏิบัติหลายรูปแบบก็เลยสร้างมาทักอย่างให้เป็นฐานในการดูไว้สักอย่างพอมีอะไรเด่นพอมีอแทรกเข้ามาแล้วค่อยไปดูที่ตรงนั้นนะนะอันนี้คือกรรมฐานไม่ใช่เรื่องเรียกว่าไม่ใช่ทําไมต้องมาทําแบบนั้นแบบนี้เขาทาเพื่อให้เราเรีกว่ามีเครื่องอยู่สักอย่างนะมีเครื่องอยู่ให้กับจิตเพราะจิตของเรานะสังเกตไหม ถ้าเราไม่สนใจที่การฟังหรือบาทีก่อนหน้านั้นถ้าเราวิ่เคยฝึกจะเห็นหน้าบางทีเราจะอยู่กับตัวเองไม่ได้แล้วก็คิดทํานั่นทานี่นะคิดโทรศัพท์คิดดูหนังฟังเพลงคิดถึงเพื่อนคิดย้อนอดีตคิดไปอนาคตจะโดนความคิดมันพาไปใช่ไหมคิดนะถ้าตอนนอนก็หาเรื่องไปคิดก็กลายเป็นคนนอนไม่หลับนะถ้าตอนตื่นนะ หาเรื่องไปคิดก็ไม่รู้ว่าตัเองกำลังทําอะไรตอนนี้นะก็อยู่กับความคิดดังนั้นการมีกรรมฐานก็คือเป็นการมีหลักให้กับจิตใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวให้ได้แค่นั้นเองนะแล้วกรรมฐานไหนที่มันง่ายนะของแต่ละคนก็อาจจะอาจจะไม่เหมือนกันก็เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลนะแต่วันนี้เรามาลองเรียนรู้กรรมฐานที่เรียกว่ามันชัดเจนหรือว่ามันจัดยากหรือว่ามันดึนเด่นะ มันอาจจะเรียกว่าเหมาะกับพวกเราหลายคนก็ได้นะเป็นกรรมฐานกับการที่เรียนรู้กายที่มันเคลื่อนไหวนะเพราะเรามีการเคลื่อนไหวตั้งแต่ตื่นจนหลับมาแหละรหรือแม้แต่หลับก็ยังเคลื่อนไหวนะหลับก็ยังเคลื่อนไหวสังเกตไหมนอนไปนอนผมเข้าผมดีบางทีก็เข้าผมก็หายไปแล้วนะตื่นขึ้นมาก็หนาวต้องมาผมเข้าหผมใหม่ก็มีคือเรามีการเคลื่อนไหวตล อ, อดเวลาแต่ตื่นจนหลับ เรามาเรียนรู้กรรมฐานกับการเคลื่อนไหวลืมความคิดที่เรียก ว, ว่ากรรมฐานการปฏิบัติธรรมตอนนั่งนิ่งๆต้องนั่งแับตาอย่างเดียวอันนั้นเป็นความคิดที่เราไปจิตกับรูปพระพุทธรูปบางทีเราไปเห็นรูปพระพุทธรูปท่านนั่งนิ่งๆแบบนั้นหรือว่าเห็นในรูปผมครูบาอาจารย์เวลาโพสท่าท่านก็จะนั่งสงบธรรมดาแต่จริงในชีวิตจริงนะพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าเขาเปการเคลื่อนไหวการเดินไปวินาบาศการเดินไป ที่นั่นที่นี่พระสมฆ์์เจ้าต้องมีกิจวัตรมากมายนะขวัาวัดนะถูสาราวัดทำนั่นทำนี่มากมายเหมือนกันดังนั้นนะเราให้เลิกล้มความคิดว่ากรรมาฐานก็คือการต้อนั่งนิ่งๆการนั่งหับตาการอยู่เฉยๆดังนั้นถึงารทํากรรมาฐานได้นะให้ลบภาพตรงนั้นไปก่อนเลยนะอันนั้นก็ถูกในทียบทที่เราสามารถทำได้แต่ในชีวิตจริงของเรานะเราทำแบบนั้นไม่ได้ ต้องไปเรียนหนังสือนะเด็กๆใช่ไหมผู้ใหญ่ก็ต้องทํางานหรือคนที่ดกดเกษียณตัวเองแล้วก็จะทํางานบ้านต้องเดินไปนะัป่ไปนี่เหมือนกันนั่นนะกรรมฐานซึ่งเหมาะสำหรับคนในวัยที่ต้องเคลื่อนไหวก็คือเราคอยมาดูถึงกายที่เคลื่อนไหวนะถ้าเราดู้กกายที่เคลื่อนไหวนะให้จิตใจเราอยู่กับการที่เคลื่อนไหวของกายนี่แหละจะทําให้เรามีเครื่องอยู่นะมีเครื่องอยู่ทําให้ใจไม่ลอยไปที่อื่นเนาะนะเราเรามาเรียนรู้ตัวเนาะ เราเรียนรู้กรรมฐานที่เรียกว่าดูกายเคลื่อนไหวแต่ไม่ใช่สิ่งที่กายเคลื่อนไหวหรอกนะแต่พอเรารู้กายเคลื่อนไหวไปเราจะรู้เท่าทันใจที่มันคิดนึกด้วยเมื่อรู้เท่าทันใจที่คิดนึกนะมันจะเห็นอะไรเห็นธรรมะที่มันต่อยในความปรุงแต่งนั่นแหละมันจะมีความไม่ปรุงแต่งอยู่ในนั้นเหมือนกันดูกายนมาเห็นจิตรู้จิตรู้ความคิดก็เห็นธรรมะอยู่ในนั้น มันเห็นเป็นต่อต่อเห็นเป็นทอดทอเห็นตอนแรกอาจจะยังไม่แจ่มแจ้งยังชัดเจนแต่พอเห็นไ ป, ไ ป, ไปเรื่อยๆ จ, จะเกิดความแจ่มแจ้งอ๋อธรรมะมันเป็นแบบนี้นเองธรรมะบางทีมมทคําจำกัดความริยามมันมันบอกได้ยากนะแต่ถ้าเราคน้นพบมันเกิดขึ้นอย่างไรมันเป็นอย่างไรแล้วนะบางทีก็ไม่มีคํานิยามนะแต่เราสมามารถสัมผัสได้นะสัมผัสได้ถ้าพวกเราล นั่งในชาติไหนที่พรกเราว่าสายที่สุดนะนั่งถ้าใครเผาเวทีนั่งเข่ายีก็ได้นะแต่ถ้าพอทนได้นะนั่งคัตสมาธินั่งพับเทียบก็ได้นะอย่างพวกเราคนไครนี่ถือว่าดีนะฝึกนั่งคัตสมาธิหยุดนั่งกับพื้นกันดีบางชาตินี่ต้องนั่งเข่ายีเป็นหักบางชาตินี่ต้องนั่งบอกสูงๆนะให้หลังรู ให้เข่าให้เข่ามันเรียกว่าให้ก้นสูงขึ้นให้มีบอดร อ, องรับนะครับอาจกรย์นั่งถ้าสบายไหมเอามือวางไว้ที่หัวเขานะ่าสบายไหมมือวางไว้ที่หัวเข่าเนาะหายใจสบายไหมหายใจสบาย่อนสายเกรงใจไหมนะมสบายนะสบายปฏิบัทิธรรมนีกต้องสบายนะถ้าเกรงไปเดี๋ยวมาผิดทาง น, นะ สบายสบายแค่หายใจแล้วก็รู้สึกตัวคราวนี้เราออกเอามือเอามือขวาก็ได้นะมือขวาหือมือซ้ายก็ได้เอาไว้ที่ข้างหลังเอาไว้ที่ข้างหลังเอามือเดียวพอนนะมือเดียวเห็นมือตัวเองไห ม, มไม่เห็นไม่เห็นนะเดี๋ยวเอามือไว้ใช่ไหมมือไว้ไม่ได้ไม่เป็นไร อะไรข้างหล่าข้างด้านก็ได้มไม่เห็นมือของเราเนาะไม่เห็นมือตัวเองแต่รู้ไหมว่ามือข้างนี้มันอยู่ข้างหลังรู้รู้ไหมอะไรมันรู้อะไรมันรู้อีกรู้นะแล้วมือที่อยู่ข้างหลังแล้เนี้ยมันกำหรือแบ่อยู่แบอะไรมบอกว่าแบ่ จิตใจใช่ไจิตใจมันบอกเนาะอืมนะคราวนี้ลองเอามือที่แแมากำนะกำดูนี้รู้ไหมกำแรงเลยํำไปค่อยที่รู้ไหมรู้เหมือนกันนะอืมอันนี้นะแต่กำแรงกำค่อยก็ขอให้รู้อ่ะเรากมือแแบมือเบได้เนาะลองดู ทำ ม, มือแบมือไปสบายๆบางทีก็ทำแรงว่าก็ได้บางทีคิดมากมันไม่ค่อยรู้ก็ทำให้เท่าแรงหรือบางทีก็สบายๆทำค่อยๆกระจายนะไม่ต้องแบบตาตาก็ไม่เห็น มือกรรมอยู่ให้ใจไปรู้ที่ตรงนั้นให้รู้สึกแต่ไม่ใช่เอาใจเราไปอยู่ที่ฝ่า ม, มือนะเดี๋ยวใจเราจะโรนกรำมรนจะติดใจใจที่อยู่ต่างากนะอย่าเอาใจมาอยู่ที่ฝ่า ม, มือใจก็รู้จิตใจอยู่ต่างหากกายมนกการเคลื่อนมันไว้ใจที่คนคอยรับรู้สบายสบาย นี่น่าเป็นหลักของวิปัสสนาธรรมฐานหลักของการปุถุติถ้าเราทำแบบสมาธินะเราจะเอาใจไปอยู่กับตรงนั้นอยางซึ่งมันจะอึดอัดนะถ้ามันทําแล้วมันเหนื่อยเราก็จะเหนื่อยตามไปด้วยแต่ถ้าทำแล้วมันสบายมันจะพอยเป็นความสุขเป็นความเพลินแต่มันก็ไปอยู่กับอารมณ์เทนั้นแหละดูเนาะทุกคนใครไม่รู้บ้างนะไม่มีเนาะอืม อันอนี้มือวางไว้ที่ที่หน้าขาสองข้างนะให้ทำเหมือนกันแหละแต่เพียงยแต่ก่อนนะมันแค่รู้สึกกับการกรการแบกบซึ่งก็ทำได้อี ก, กันแต่หลวงพ่อเทียนท่านแนะนำวิธีการนะบางทีรูปแบบอาจจะไม่คุ้นมีการทำแบบนี้ได้หรอเป็นการเรียกว่าจำลองเฉยๆนะพุทธเจ้าท่านตรัเลยว่าพิสูจนทั้งหลายเธอต้องมีสติในขณะที่ กูแขนเข้าเหยียดแขนออกขณะที่เดินไปข้างหน้าถอยไปข้างหลังขณะที่นุ่งสรงทรงจีวรขณะที่เดียวซ้ายขณะที่แตขวาขณะที่ยืนเดินนั่งนอนคือเรียกว่ามีย่ยบดต่างๆถ้าไม่ที่บอกว่าที่สุดทั้งหลายควตรต้องมีสติขณะที่นั่งเฉยไม่ใช่นะนั่งเฉตก็รู้เหมือนกันแต่ขณะที่ทําอะไรก็แล้วแต่ก็ให้มีสตริรู้ รู้ว่ากำลังทําอะไร อ, อเรานั่งสบายเนาะอัะ้งมือวางที่หัวเข่าท้งสองข้างเนาะวิธีนี้ไม่หลับตาด้วยนะหลับตาดืมตาแต่สิ่งที่ตาเห็นไม่สนใจแต่เบื้องต้นให้สนใจถ้าใครอ่าเรียกว่าใครยังทําไม่ได้ก็สนใจดูอาตมา ก, ก่อนก็ได้นะาดูสนใจในการดูแล้วก็ทาตามนะ แต่ถ้าใครทําได้ถ้าทำของเราก็ได้นะะคือที่หัวเข่าสองขางเนาะสบายๆตามองไปแต่ไม่สนใจมากพอแค่เห็นแล้วก็เรารู้ว่าทำสิ่งที่เห็นคืออะไรตราวนี้เราต้องกลับมาหยุดตัวเราแบบคำถามเนาะคำที่มือขวาแตะแคนนะสึดเนาะที่มือขวาสบายๆสุดๆแล้วมือขวาขึ้นไปด้วย ขวาที่หน so so ้าต่อคือมืซ้ายแมืซ้ายขึ้นคือมือซ้ายขวาขวาเลขึ้นข้างถ้าไม่หเข้ง ป่าป่าเรือยขึ้นเจาวไ่าต้ให้ข่าต้องดนา ลองคิดอะไรเกิดขึ้นนะจะเพิ่งไปกับมันเนาะกับมานะ ก, บมากับมารู้กับการเคลื่อนไหวของมือตรงนี้ก่อนให้รู้สึกว่าขำลังนั่งยกมือในท่าอย่างนั้นอย่างนี้ไปก่อนให้รู้สึกว่าร่างกายกำลังนั่งสร้างจาังหวะยกมือแบบนี้นใจคอยรู้อยู่ ใจคิดเป็นที่อื่นก็ไม่เป็นไรนะกลับมากลับมารู้การเคลื่อนไหวนี้ก่อนใจอาจจะสงสัยอะไรก็ไม่เป็นไรเนาะวางความสงสัยก่อนกลับมารู้เปิดเชื่อนี้ก่อนเราทำใจสบายๆนะพระแนะนําให้ทำอะไรก็ลองทําตามนี้ก่อน เหมือนเรายุคก็ไม่รู้เหตุผลทำไมครูต้องให้คัดกรอใส่ขอใส่ <ừ. S 1> ทําตามไปก่อนพอทําไปแล้วเดี๋ยวเดียาก็รู้ว่าเบื้องต้นคืออะไรเนาะ ด, ดูแค่การเคลื่อนดูแบบสบายๆจิต ใ, ใจค่อนคลายถ้าใครเก่งเกินไปเนะาะเก่งเช่นนั่ผ่าทางไป แค่ลองปรับเปี่ยนดูว่าเราเพื่อนมือแบบไหนมันไม่แรงนะบางทีบางคนช้าไปนะหยุดนานเกินไปก็อาจจะเป็นการตั้งใจหรือว่าเป็การจ้องเกินไปเนาะให้มันไม่ช้าเกินไปอย่านานเกินไปแต่บางคนถ้าทําเร็วมากเกินไปก็ไม่ค่อยรู้ตายเพื่อน เ, เลยนะ ทำไปก็ไม่ค่ยรู้ตัวไปทำไปก็ชิดไปก็ต้องเบรคหรือว่าต้องจะรอยให้มันช้าหรือมีช่วงหยุดให้มันเด่นขึ้นสำหรับบางคนนะปราบพอดีนะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าทาตามครูบาอาจ า, ารย์ในการเดนะินในการยกแต่ความพอดีการที่เราปรับปรับความสมดุลของการเคลื่อนเท่าไหร่เรารู้ได้พอดีเคลื่อนขนาดไหน รู้เท่าทันจิตใจที่มันคมงแต่งด้วยไม่ใช่เห็นแต่กายตลอด24ชั่วโมงนะเราเห็นกายไว้เป็นตัวเป็นเหยือในการรอดในการเห็นจิตในการเห็นความคิดคล้ายๆเป็นการท้าทากิเลสนะเรามาสร้างสติในการรู้สึกกายเคลื่อนไหวนะ คือเขาจะค่อยๆหายช่องทางในการโผล่ขึ้นมาแหลแต่ท่องทางนะั้นเราจับทางมาได้รือเพราะเรามีฐานในการดูคล้ายๆเหมือนถ้าในสงครามนะตำรวจทหารเขาจะมีบังเกอร์ก็มีกำ บ, บังคอยหลงคอยซอด เมื่ตอนออกจะไปจู่โจมก็จะไปยิงแล้วค่ออกมาออกมาจู่โจมออกไปยิงเขาแล้วก็กลับมาที่ที่ปลอดภัยตายที่เราตร้างการเคื่อนไหวเนี่ยเป็นการที่ที่ปลอดภัยของจนะิตสร้างไว้แค่จะมีเครื่องอยู่ไว้แล้วพอข้าศึกมันเกิดขึ้นมาเป็นความคิดจะกีดกิดขึ้นจิต น, น, น, นั้นจะเข้าไปจัดการทันทีเลย เดี๋ยวพ่อนะเพื่อนรู้นะรู้ว่ายกรู้ว่ายกรู้ว่าหยุดก็รู้รู้ว่ายกรู้ว่าหยุดควน้าเนาะลองลองทำไปเรื่อยหรือถ้าทำาล้วมัจะสับสนจนไปแค่ทิกงมือหายทิ้มือคว่ำก็ได้นะ แค่ปิกแบบนี้ก็ได้นน่นอนทำเลยเอาแบบนี้ก่อนไะไม่ผิดนะทำแค่นี้ก็ได้เนี่ยปิ๊กมือคล้อมือทํา ทีละค้าข้างนีเหนื่อยก็กลับไปทงข้างใา้ข<ง>้าเท่ากันนะหลักการคือตายเคลื่อนไหวใจรับรู้เคลื่อนไหวท่าไหนไม่สำคัญเคลื่อนไหวทีทีจังหวะก็ได้ เือหมายแค่พิดความก็ได้บางที่เขาเพื่อหมายในการดูลงในใจก็ได้เหมือนกันอันนี้แต่นี้คือมันมีจังหวะยกมือมีการหยุดมีการเคลื่อนเข้านั้นก็เป็นแค่รูแปแบบเฉยๆนะเหมือนกับเสื้อหนามโยมอะจะมีลายไม่มีลายมันก็ใช้ว้กันหนาวเท่านั้นแหละ รูปแบบที่เรามีเอ็ดแตกต่างกันไปก็ใช้เพื่อปเป็นขึ้น อ, อยู่ของจิตเท่านั้นรูปแบบไหนก็ได้ทนะีบบนี้เรามาเริ่มตนน้นด้วยรูปแบบที่หยาบๆที่มันเด่นๆวันบบนี้น้อยๆเส้นแดงรู้สึกไหมนะรื้นะ ตอนยกมือเน้วยเขาแต่คิดเป็นอื่นไหมหมอนะ <c oughs> คิ ด, ค, ดคิดมากหรือคิดน้อยนะ <c oughs> คิดแล้วกลับมารู้รูที่การคิมือยกมือได้ไหมได้นะว <c oughs> ิธีปฏิบัติแบบนี้นั้นไม่ใช่ห้ามความคิดมันจะคิดเรื่องของมัน แต่หน้าที่ของเราคือกลับมารู้ถึงการเคลื่อนไหวใหม่เนาะไม่ใช่ห้ามความคิดไม่กดความคิดแต่กลับมาให้มันได้นะอนาจจะโยม ค, ค่อยๆนะเบาๆมือเก็บไรกันก็น ไ, ได้นะพนะอเราไม่ยกมือแเราลดกลับอะไรก็รู้สึกการนั่งนี่นั่งเฉยๆแต่มันทีมันจะรู้สึกการนั่งเฉยต่อเนื่องมันก็ทำได้ยาก ก็เลยเวลานั่งก็เลยนั่งยกมือนั่งพิกมือแบบนี้ก็ได้นะพลิกมือถึงที่แค่ขึ้นิ้วเบาๆสัมผัสการขึ้นิ้วได้ไหมลองดูนนิ้วนะให้มีเครื่องอยู่ทุกอย่างเพราะถ้าเราไม่ทำอะไรทุกอย่างที่ความคิดมันจะล้าไปง่านยะเดี๋ยวก็นั่งคิดนั่งเมองนะเราจะเห็นคนนั่งใจลอยมือนะ เป็นแบบนะแต่พอเราเสี่ยเออมีเครื่องอยู่มีเครื่องอยู่อาจจะไม่ได้ปิ้มือตึงนิ้วยกมือขีดจังหวะได้หมดเนาะถ้านั่งโตมันนิ่งๆรู้สึกตอนมันนั่งมันก็ได้นะแต่บางทีถ้ามันมีจบงหวัดเฉยๆบางทีตอนแรกมันรู้เฉยๆแต่ตอนหนังเราจะเข้าไปตั้งใจดูมากเกินไป การดึงการเท่งกันชอบคือบางทีก็มันเหมือนไม่น่าสนใจที่มีการเปลี่ยนแปลงที่จริงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่แต่เราก็จะไปสนใจหรือเราไปรวมความคิดมนันาปง่ายกว่าพเพราะที่อก็ารยบอกว่าอย่าห่างเป็นฉยให้หาอะไรทำสักอย่างพลิกมือถึงนิวโดโดโด้วะดูลมหายใจอะไรแวบนี้ก็ได้เอาสักอย่างนะอย่าไปทำพร้อมกันหมดนะอ ให้เป็นตัวหลักสักอย่างหนึ่งนะแล้วก็ที่เหลือล ก, ก็ค่อยเป็นส่วนประกอบเหมือนเรามีโปรเจคตอ์เนะียแผนเนี้ยเป็นฉากหลังแล้เป็นฉากหลังไว้เวลาเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ก็ฉายผ่านมาเข้าตรงเนี้ยมันก็ได้เป็นนี่ว่าเป็นแบ็กการ์เป็นฉากหลังการเคลื่อนไหวมือก็เหมือนกันมันก็มีมันก็มีเครื่องฉายให้มีนเห็นกระทบนะกระทบรึางกายที่เคลื่อนไหว ที่ยกเข้ายกออกเสล่อนไปเึ้่อนมาเนะี่ยพอมีอะไรมาเต่นแทนที่เป็นความคิดเป็นจิตใจเป็นความรู้สกอะไรเกิดขึ้นเราก็เห็นได้น ะ, ะค่อยค่อยลุกขึ้นน้อลุกขึ้นยืนนะลุกขึ้นยืนสบายนะเก็บของไว้ั้งข้างนะจว่าเอาไวา้ใช้ที่ไว้ั้างข้างก็ได้ของ <c oughs> ยงก็พลิกมือนั่งก็อี่พลกมีก็ได้นะแล้วก็เดี๋ยวเลื่อนไปข้างหลังข้างนู้นเนะเลื่อไปข้างหลังข้างนู้นเขาเป็นแถวแล้วแถวแล้แวสองสามคนนะโยนะแถวเหมือนคล้ า, าหนูเหมือนเข้าแถวหน้าเสาธงอยู่นนะ คนหนึ่งคนสองคนสามนะตรงเนี้ยไล่ใสแต่ละสองสามคนแถวไหนมากก็สตัดมาหาแถวที่น้อยเนาะอ่าตอนนี้ยืนอยู่เนาะยืนอยู่ลองเราะเหยียเท้ารู้สึกไหมเหยียบเท้าเท้าลงเท้ารู้สึกต่างกันเนาะ เราไม่ต้องใช้ตาดูใ ห, ใ, ดให้ใจดูให้ใจมันดูใช่ไหมใจมันดูแต่อย่าใจก็อยากไปดูแบบคึมๆนะดูแบบเบิ่มบานนะดูแบบเน้นๆดูแบบสบายสบายอย่าไปตั้งใจเกินไปไปยามแบบซึ้มๆเกินไปไม่เอาะนะ อันนี้เดินธรรมดาเดินปกต่นะตาต้องมองไปข้างหน้าไม่ต้องมองเท้า่ะมองตรงมองต่ำนิ่มองเขึ้นก็ได้แต่แต่เป็นไงบ่าเราไม่ได้ปีนนใจสิริตาเห็นเราให้ใจมาเห็นการเดินเห็นไหมเดินอยู่นะ แต่ก่อนแล้วเรามักเดินแล้วก็ต้องคิดเดินไปคิดไปอีกนะเดินไปคุยไปเดินไปก็มองนั่นมองนี่ไปใจไม่อยู่กับการเดินอันนี้วิธีฝึกก็คือเนี่เท้าสัมผัสพื้นรู้สึกยกเท้าขึ้นรู้สึกนะรู้แบบนี้นไปก่อนนะรู้สึกกายที่กำลังเดินอยู่ เห็นรูปนี้กำลังเดินเห็นรูปกำลังเดิ น, นเห็นกายกำลังเดินกระทบก็รู้ยกก็รู้กลับมารู้ตรงนี้ไม่ต้องไปเอารายละเอียดนะว่ามันเย็นสนาดไหนนุ่มหรือแข็งบาทีมันก็รู้กว่าจี่มันรู้แต่เราไม่ต้องไปหารายละเอียดทุกเก้านะไม่เอานะ แค่รู้ว่ากำลังเดินแค่รู้กำลังกระทบรู้กําลังสัมผัสแค่นี้นพอแต่บางทีมันเย็น ม, มันก็รู้ร้อนก็รู้นิ่งก็รู้แข็งก็รู้นะแต่ไม่ได้เป็นไม่ต้องไปเตาตายอีกขนาดนะันดนนนด้นนี่นะเดินแบบนี้งนักเดินกับที่นะแต่ถ้าบางที เดินอยู่กับที่แบบนี้ก็ได้หรือบางทีเรามีที่เดินยาวขึ้นเราก็เดินเมือนเราไปเหยียบพระท่านเดินจงครมนะอาจจะจงครมนี่คือการเดินเป็นวงกลมนะแค่เดินกลับไปกลับมาเพราะว่าสถานที่มันจํากัดเราก็เลยเดินอย่างเช่นเราจะมาเดินให้ดูเนาะเดินมีการเก็บมือไว้ข้างหน้าขัางหลังที่ไหนก็ได้ เดินตับตัวก็เยอะนิดนึงแล้วก็เดินใหม่เดินธรรมดาเนี่ยมันก็รู้สึกตอนเ ท, ท้าส้นเท้าสมัมผัสก็รู้สึกธรรมดาเนี่ยนะรู้สึกกระทบมันยอมรู้สึกกระทบตอนนี้ยนละนะเพื่อนก็รู้นะเดี๋ยดก็รู้ แต่มันก็มีเทคนิคนิดหนึ่งถ้าถ้าเราเดินแบบระยะไม่ไม่ยามากเวลากลับตัวเราจะไม่กลับเหมือนเราวิ่งเตี้ยวบนๆเราจะกลับซ้ายทีขวาทีก็คือกลับซ้ายทีก็ขวาทีต้ก็คือว่ากลับแล้วหันหน้าไปด้านเดียวกันนะใช่ไหมอันนี้กลับซ้ายใช่ไหมไม่กลับซ้ายมาด้านนี้ค่ะ ขับขวาหรือจำหลับก็ได้ว่าขันไปด้านเดียวกันอันนี้ในกรณีถ้าเดินเกนใกไส่นะเป็นกลับแบบเดินไม่กี่ก้าวแล้วก็กลับนะมันก็จะช่วยให้เราไม่เบียนหัวถ้าเราเดินแบบวนๆนะมันก็จะเบียนเบียดหัวได้ง่ายเป็นแค่เทคนิคนะไม่ใช่ว่าเอาถูกหรืผิดแต่ก็แนะนำพวกเรานะอ่ะอ่ะท น, นี้มือทำไมเราถึงเก็บมือ เพื่อให้เรามีความรู้สึกเด่นที่การเคลื่อนของเท้าเรืนหลักถ้าเราบางทีทั้งเดินแหวกมือไปด้วยบางทีก็จะเด่นที่การเคลื่อนของมือด้วยแต่ถ้าบางทีจะมาเราทำแบบนั้นก็ได้โดยเปนไรนะแต่ตอนฝึกใหม่ๆก็ลองคิดว่าลองให้ความเด่นมันทัดแค่อย่างเดียวไปก่อนทัดที่การเดินไปก่อนอย่าให้อย่างอื่มันมาเด่นแต่ถ้าอย่างอื่นมันมาเด่นแทรกเราก็ค่อยรู้มันนะเช่นใจนี่แหละสําคัญที่สุด พอใจหรือความคิดมันแทรกขึ้นมานะรู้ทันเร็วๆเราเดินไปเพื่อล่อให้ใจโผ่ออกมาพอใจโผ อ, อกมาก็เห็นทันทีแต่เห็นแล้วไม่ได้ไม่มีคิดต่อบกับมานะก็แค่เห็นแล้วก็วางเห็นแล้วก็วางแล้วก็กลับมาอยู่การเดินใหม่สยมงต้องเดินมาสุดตรงด้านหน้านะแล้วก็กลับตัวอ่า ไม่ต้องช้ากเกินไปเดินขนาดไหนที่เรารู้สึกค่อนคลายพอดีขนาองเรานะั่งแล้วขับขับตัวขับตัวรอเพื่อนอาจจะเดินยัางเช้ารอไปได้ยเนาะ เดินไม่ไหวก็ท<ต>ิ้งมือก็เป็นการเดินจงจบ กลับมาฝึกการเดินก่อนอยัไม่ต้องไปคิดต่อว่าคิดดีไม่ดีนะรู้ทันมันก็กลับมาก่อนแต่สำหคนที่อาจจะพอดูวามคิดดูจิตใจได้ค่ะ แบ่งเปอร์เซ็นต์ไปดูอาการของจิตที่เป็ น, นามามธรรมมากขึ้นก็ได้ต่างที่เรารู้สึกว่าดูแล้วมันไม่หลงไปกับมันดูแล้วไม่หนักเกินไปเลยนะเราแบ่งเปอร์เซ็นต์ไปดูอารมณ์ที่มนเกิด ข, ข, ขึ้นในจิตอาจจะเด็นบ้างไม่เด็นบ้างก็ไม่เป็นไรบางทีเรารู้สึกเฉ ย, เ ย, เยก็ดูไปเฉยๆมันไม่เด็นก็กลับมา รู้สึกของการเดินที่มันเด่นกว่าอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมาเด่นขึ้นมาเรอก็รู้ทันมันแต่ไม่ใช่ไปคว้าหนหานะไม่ใช่ไปคว้าหนหาย่างน้อยมันมีอะไรดูมันก็มีกายที่เดินเนี่ยให้เราดูแค่รู้สึกว่ากะลังเดินอยู่ไม่ติดอ ไ ม, ม sociedad, ไม่ต้องคิดไม่ต้ ını, aha, <m ig> <ly> องไปพูดเตือนใจว่าขาขาขวาขาซ้ายหรว่เท้าขวาเท้าซ้ายมันกระโค้งหรือว่ามันีลื่อนไม่ต้องไปคิดพูดเตือนใจเนาะแค่รู้สึกเฉยการคิดพูดเขาเรียกว่าพลอยกมนะที่พูดเตือนใจเรียกว่าพลกรรเราไม่ต้อง การสัมผัสรู้แบบตรงๆเลยนะเรียกว่ารู้แบบประวัติการทำเลยนะ่ะรู้ของจริงเลยต้องมาใส่สมุกในการรู้ภาษาเป็นสมุดในการ เ, นะเรียบเทีวันเท้าเทียบว่าสมุเทียบว่าผ้าตาตาเราไม่เอานะเราแค่รู้ไม่ต้องมีภาษาบางทีบางทีถ้าไม่บอกว่าให้ยืนก่อน เราก็จะรีดอยู่เลยนะเหแล้วม mm. okay, นะันงทีเรารีดนั่งใน mm. ก็รีดจะเดินในบางทีพอลุกขึ้นก็เดินนะทัน mm. ทีให้มีจังหวะเปลี่ยนบ้างนะเช่นเวเราเดินเนะี่ยเห็นไหมเราเดินมีจังหวะหยุดลยกลับตัวกลับตัวแล้วก็เดินต่อใหม่วเวลาเปลี่ยนเยนื้บทก็เหมือนกันเนาะเปลี่ยนเย น, นนะื้บทจะไปนั่งเข้อยี่หรือนั่งกับพื้นก็ให้หยุดพิสต์ น, นึงก่อน ให้ตั้งสติดีๆก่อนแล้วก็ค่อยนั่งบางคนสูงอายุบางทีฝุดรุกฝึกนั่งบางทีเต้นเกินร่างกายส่างามันไม่พร้อมบางทีมันพีกไปล้มหรือว่าเต้นหนักพีกก็ได้ตรงนี้ครับการสติค่อยๆทํานี่ก่จะดีนะครับางทีเนะี่ยบางทีไม่ใช่แค่มีคนดีกับร่างกายนะคนดีกับจิตใจด้วยนะเพราะจิตใจที่มันดีเกิดไปเนาะ ที่เดินสปใจก็ไม่อยู่การทํ า, ทาตรง น, นั้นเดินไปที่คิดเป็นนั่งใจแล้วก็อยู่การนั่งรับถ้ทาท่าที่ตอนนั้นยังไม่นั่งนะี่ยเดินไปจะรู้ว่าบางทีนั่งอยู่อยากจะเดินไปเข้าห้องน้ําวบางคนปวดฉี่มากๆที่ใจอยู่กับห้องน้ําแล้วอ่านะมันก็เลยรีบตักขาให้รีบรีบเดินไปแล้วก็ไปรู้ตัวว่าใจเราไปแล้วนะไปก่อนแล้วนะนะบางคนอาจะมีงาน นำจากสี่โมงเย็นใจเบี่ตรงนั้นแล้วทั้งที่มันยังไม่ถึงเวลาที่ต้องทำถามเนาะใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันเนี่นะหลักกรรมาฐาคือให้ใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันแต่ไม่ใช่เราไม่มีแผนในอนาคตเรามีาแตนะ่ิในว่าแผนในอนาคตให้วางไว้ก่อนให้พักไว้ก่อนพอถึงเวลาทำก็ค่นะอยทะเพราะฉะนั้นเราจะต้องรีบตามตามแผนนอนาคตไปเรื่อยนะ แล้วก็ไม่รู้ว่าจะอยู่กับจิญัาณแบบไหนเมื่อกี้ก็เราทั้งได้นั่งทั้งได้เดินรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างเป็นยังไงใครรู้สึกว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยทำแบบนี้เลยหิดใจยังแตกแตกมีไหม จิตใจมันไม่ไม่เคยเหมือนเก่าแต่ก่อนใช้ใช้ทำอะไรก็ไม่รู้ว่ากำลังทำอะไรแต่ตอนนี้เออพอจะรู้มากขึ้นแม้จะมีความคิดแม้จะมีอารมณ์แม้จะมีเรื่อางแต่ก็รู้ว่าเออกายกำลังทำอะไรมากขึ้นใครรู้สึกแบบนี้ ม, มั้ยมีอืมมีเนาะ เราคนที่มียกไม่รู้เลยใช่ไหม <c oughs> นะรู้ไหมรู้ไหมสังเกตไหมตอนที่เราแค่เดินแต่ไม่ได้ ว, ว่าเดินสงบบอย่างนนะีตอนนั้นความคิดมันฟุ้งซ่านมากไหมมีไหมมีมันฟุ้ออกไปมากไหมพักหนึ่งต้องไปฟงต่อไปเรื่องอื่นต่อไหมหรือ <c oughs> ไม่กลับมาได้เนาะ แต่ถ้าเราไม่มีอะไรทำบางอย่างถ้าสมมติคิดจบเรื่องหนึง่งแล้วต่อไปเปไน็นไงหลายเรื่องเนาะเหมือนดูนังก็ก็ดูหลายหลายเรื่องถนะรื อ, รอว่าฟังเพลงใช่ไหเปิดเพลงแรกถูกใจก็ฟังต่อไปจนจบอะไรบง้ง <c oughs> ความคิดของเราก็เหมือนกันนะต้องคิดแรกถูกใจโดนใจก็คิดต่อไปจนจบนะใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันนะแต่นี่แต่ไหนไม่ถูกใจเราก็วางทันทีเลยใช่ไห แต่นี้ไม่ใช่ว่าเราความถูกใจความไม่ถูกใจความถูกใจกับความไม่ถูกใจก็มีค่าเท่ากันนะก็คือจะเป็นความคิดที่ชอบความคิดที่ไม่ชอบก็ย่อมมีค่าเท่ากันคือว่ารู้ว่าเราดูตัววัากำลังทำอไรแล้วนะรู้ว่ามันเป็นคิดแล้วรู้ว่าไปรู้สึกอย่างไรแล้วแค่รู้สั่นว่ามันรู้สึกแบบนั้นแล้วก็กลับมากับสิ่งที่เราทํารี่ว่ากลับมารู้สึกกายเคลื่อนไหวีก่อนเนี่ย จนกว่าเราเรียกว่านะพอที่จะเป็นผู้ดูดูแบบไม่เข้าไปอยู่กับความคิดไม่เข้าไปอยู่กับอารมณ์ได้ตอนนั้นเออเราค่อยรู้เท่าทันความคิดรู้เท่าทันอารมณ์ก่อนที่ไม่เรียกว่าโดนอารมณ์เขาด่าไปได้ตอนนั้นเราต้องค่อยสังเกตดูมันค่อยสังเกตดูไปบ่อยถ้ามังมีแรงก่อนใหม่สติมันจะไม่มีกำลังมันจะโดนความคิดด่าไปโดนอารมณ์ด่าไปถ้าเราเปิดให้มันรู้สึกกายที่เคลื่อนไหวนะ เราฝึกให้ไ้วยว่าสติมันมีกําลังมากขึ้นนะเราจะเห็นได้วันทีเนะี่ยขนาดตั้งใจเดินนะใช่ไหมตั้งใจเดินตั้งใจยกมือบางทีก็ทําใจแบบนิ่งเข้าไปเสิร์ฟเงนะเราก็ยังคิดสารพักเรื่องใช่ไหมขนาดตั้งใจขนาดนี้นะเบียบ ท, ทย้ายหรือว่าสิ่งไวรัสท้ายเงาก็ไม่ค่อยวุ่นวายนะอ่าไม่ค่อยชวนที่เรียกว่าไป ทางตาทางหูเท่าไหร่เราก็ยังเห็นได้ว่าในความคิดที่ฝุดใิใจมันก็โผล่ขึ้นมาได้มากมายเลยอันนี้คือในรูปแบบแหละเราไว่ามีสิ่งไดเรงช่วยนะมีความสงบเข้ามาช่วยมีกัลยาณมิตรเข้ามาช่วยมีรูปแบบเข้ามาช่วยเรายัางเห็นว่าข้ามีตัวช่วยขณะ น, น, นี้มันก็จะงถือไปได้มากมายใช่ไหมอันนั้นนะเราก็ต้องฝึกในขณะที่มีตัวช่วยเลยนะให้มันชำนานด้วยแล้วก็ พอไปเจอของจริงก็ไม่ได้กลัวนะก็ทําเท่าที่ทำได้หละนะตาเห็นรูปรู้ทันหูได้ยินเสียงรู้ทันจมกูกได้กลิ่นเดินออกไปไปทานอาหารได้กลิ่นนะมันได้กลิ่นแล้วบางทีเรารู้ไม่ทันนะกลิ่นก็พาเราไปนะจุ่มไปเนื้อริ้งรับรสอาหารร้บก็ถูกใจไม่ถูกใจมันก็พาไปนะพาไปคิดต่อชอบไม่ชอบอร่อยไม่อร่อย อยากกินอีกไม่อยากกินแล้วอะไรนะโปร่งไปต่อพปรงไปถึงสัญญากเก่าๆที่เคยรสชาติอาหารที่เคยกินที่ไหนใครทาใหนะ้มันก็คิดไปต่อนะไม่ใช่ว่าการกื้เงินไม่ใช่ว่าเราจะไม่รู้สึกแบบนี้แต่คอยรู้ทันเดี๋ยวเวลามานไปมันข้ามเรื่องไปเรื่ อ, อยนะแค่าสมมติทานอาหารอร่อยบางคนคิดถึงแม่บางคนคิดถึงบ้านบางคนคิดถึงร้านอาหารนะนเนี่อาจจะกระโดดไปไหนั้นเลยนะใช่ไหม ให้เรารู้เท่าทันไม่ใช่ว่าเราจะห้ามกดข่มไม่ใช่กินอาหารไปเฉยเฉยไม่รู้รสชาตินะไม่ใช่นะไม่ใช่คนที่เรียกว่าดิ้นไม่รับรสนะบางีการรู้สึกเนี่ยกับดีรู้สึกแล้วก็รู้เท่าทันจิตใจไปด้วยหรือบางทีแล้วก็ใสอาจจะไม่สนใจถึงอาการของจิต ท, ที่มันรู้สึกอย่างไรก็ได้สนใจการเที่ยวนะแค่เรามีสติกับการเที่ยวเนี่ยเราจะเห็นว่า ใ จ, จก็จะนิ่งมากขึ้นเนาะบางทีตราทานอาหารเนี่ยสังเกตอาหารเช้านี่ถ้าคนทํางานนี่รีบๆเนาะบอกจะบอกว่าไม่มีเวลาทานอาหารอ่าไม่มีเวลาทานอาหารหรือทางก็แบบทาน แ, แบบของอาหารที่มันแบบเร็วๆที่สุดรีบเเชี้ยวเพื่อจะไปทํางานใช่ไหมอือเราจะสังเกตหรือเด็กบางคนในกรุงเทพต้อางทานอาหารในรถตนเนี้ยี่รีบทานเพื่อจะไปทำนั่นหรือพักเที่ยงก็รีบ ทานขณะตอนเย็นแม้ไม่รีบก็ยังติดนิสัยคื อ, อเคี้ยวไปถ้าเราลองสังเกตค่อยๆเคี้ยวไปทีละรำทีละคำทีละรมอาจจะไม่ต้องนับก็ได้ว่ามันกี่คำแต่ก็ค่อยๆรู้สึกถึงการเขียวเขียวเสร็จแล้วรู้สึกประมาเสียดแล้วค่อยๆคืนก็ไปคนะืนลงไปถ้าเรารู้สึกได้นะั่นคือเห็นการเคลื่อนลองไปอ่าานลาไส้สู่กระเพาะ พมาสูนมาคลองมันจะเห็นโอ้ความอิ่มขึ้นมาอาจจะไม่อี่มเต็มที่มันก็รู้สึกว่ามันได้เติมอะไรเข้าไปในร่างราอันนี้คือแต่พูดวันนี้ไม่ใช่ว่าเราต้องเก็บทุกขณะนะแต่เราสังเกตดูถ้าเรามีสติจริงมันจะเห็นสิ่งต่างนี้ได้ชัดขึ้นเห็นตั้งแต่มันเคี้ยวอยู่ในปากที่นักงถือคอนะเห็นปริยาบางอย่างบางทีทานอาหารรสหวานรู้สึกสดชื่นขึ้นมาเต็มี่มันก็เห็นนะมันจะ คอยดูกายที่เปลี่ยนแปลงไปจากการสัมผัสกับแค่อาหารหรือบางทีเราก็ค อ, อยสังเกตจิตใจที่มันเปลี่ยนแปลงไปในขณะที่รับรู้รสชาติข อ, อาหารเนี่ยเราก็ทำได้นะลองสังเกตดูนะอย่างพวกเราเดี๋ยสักพักจะเอาไปทานอาหารให้ลองสังเกตดูนะสังเกตดูกายที่คิดไปๆเคี้ยวไปๆคืนสังเกตดูอาการจิตใจที่มนุษย์สื่อใจลไรในแต่ละคําบางทีมแนะม้แต่สังเกตนะแม้แต่อาหาราเดียวนี่แหละ คำแรกกับรู้สึกว่ามันอร่อยผ่านไปไม่กี่ทาก็รู้สึกเฉยๆแล้วอืมมันคุ้นกับว่ <c oughs> าตรฐานรสชาติเนี้ยเดี๋ยวมันก็เฉยๆถ้เกิดว่จิตใจเราอาหารเหมือนกันนะแต่แต่ละคํารสชาตแตกต่างกันความให้ค่าความรู้สึกก็แตกต่างกันที่สังเกตตรงนี้ก็ได้นะอ <c oughs> ที่พูดบางทีสหรับในการดูกายในการดูอารมณ์ดูจิตใจก็บอกไว้นะแต่พวกเราก็สังเกตดูเองว่า เราสนัดที่จะดูอะไรดูอะไร ไ, ได้ชัดดูอะไรแล้วรู้สึกส บ, บายไม่หลงเราก็ดูแบบนั้นแต่ก่อนนะดูไปเรื่อยแต่ต่อไปมันจะเห็นทั้งสองอย่างแนละ้วแะเห็นทั้งกายเห็นทั้งใจนะอเห็นทั้งรูปเห็นทั้งนามนะเห็นทั้งสิ่งที่ปรุงแต่งแล้วก็เห็นทั้งสิ่งที่ไม่ปรุงแต่งมันจะเห็นต่ตางๆแบบเนี้ยเกิดขึ้นเพราะว่าหลับสูตรพุทธศาสนานะเป็นหลักสูต ท, ที่ต้องเรียกว่าเี็นทจกทุกอย่างไม่สามารถเลือกได้ว่า แต่เลือกเอาแต่สิ่งที่ชอบที่ดีะบางคนคิดว่ามาปฏิวัติธรรมจะเอาแต่ความสงบเอาแต่ความสุขเอาแต่ความสบายปฏิเสธความทุกข์ปฏิเสธความคิดปฏิเสธการดูแต่งไม่ได้นะจักสูตรพุทธศาสน า, ท, านทั้งหมดทั้งสิ่งที่เป็นกุศลธรรมคือทํามฝ่ายบัวความสุขความสงบความปีติหรือความสบายกายสบายใจหรือสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมกีเลส้นหา หรือว่าเนี่ยเก่ความคิดความหลงต่างๆเราต้องเรียนรู้ทั้งหมดหรือ<ม>ทําที่เป็นกลางนะที่ไม่ปรุงกับอะไรนะหรือว่าเป็ น, นต่างๆเพราะว่าความเฉยนะความเฉ ย, ยที่มันไม่มีค่าเราก็ต้องดูมันเหมือนกันนะก็รู้มันเหมือนกันเราเห็ยนในคลักสูตรตรงนี้เนาะแล้วก็ดักสูตรนี้ยไม่ได้อยู่ที่สังสือนะสูตรอยู่ที่ตัวของเรานะดูที่กายที่ใจของเราใ่แบบไปที่ไห น, นก็คอยสังเกตกายสังเกตใจบ่อย เราไปเห็นนะเนอร์กายใจก็สอนธรรมะนะที่ดีที่สุดนะพระหรือแม้แต่พระเจ้าก็เป็นเพียงแค่เอาประสบการณ์ของตัวเองมาเล่าให้ฟังแต่ประสบการณ์นะ้นมต้องสัมผัสเองนะถึงจะเป็นการสอนธรรมะได้ที่ดีสุดคือแค่ที้เหียนว่านี่คืออะไรแต่เราต้องไปดูตัวเองว่ามันเหมือนกับที่ได้ยินเล่ฟังไป้ทานหรือเปล่ากลับไปสังเกตดูเนาะ แต่เราไปทานข้าวนะก็สังเกตดูต่อเดินเราไปไปซื้อของก็สังเกตดูเดินไปขับรถบนรถก็สังเกตดูสังเกตกายสังเกตใจขึ่นแบบสบายแบบเนี่ยเป็นการปฏิบัติธรรมอันนนนะกฏิบัติธรรมไม่ได้ใช้กันอยู่ในห้องนี้หรือทําในรูปแบบยกมือตั้งจังหวหรือการเดินเดินกลมก็นะแต่ทําอะไรก็พยายามสังเกตกายใจที่เองบ่อยๆสังเกตที่เรียกว่าเป็นผู้ดู ดูกายเคลื่อนไหวดูใจคิดนึกนะดูไปเรื่อยหลงไปก็ไม่เป็นไรหลงไปก็กลับมาอย่างนี้ว่าเมื่อคิดแทรกเข้ไปก็อย่างน้อยนะมันก็จะเห็นผลว่าตอคิดเราจะตั้นขึ้นให้ปลูกไปยาวก็จะสั้นขึ้นหรือบางทีเรื่องที่เคยอารมณ์แรงอ่านะมันก็จะเบาร่มบางลงอ่อนลงมันจะเป็นนะั่นนี่คือพัฒนาการอางนั้นแต่ที่ไม่เคยรู้ตัวเลยถ้าไม่เคยมาฝึก ไ ม, มไม่เคยฟังหรือไม่เคยฝึกเบางทีก็จะหลงไปตั้งวันสนะหลงแต่สื่อจะหับนะก็ไม่เคยรู้ว่าเรเด็กทาอะไรไม่เคยรู้ท่าทางจิตใจตัวเองมันก็จะกลับมารู้ได้มา ก, กนะขึ้นนะดูสิครั้งร้อยครั้งพันครั้งก็ยังดีนะในแต่ละวันเพิ่มเปอร์เซ็นต์ไปเรื่อยห้าเปอร์ซ็นสิเปอร์เซนในแต่ละวันนะมัาก็จะมีพัฒนานการมากขึ้นนะแต่ถ้าเราไม่ฝึกเลยนะมันจะเป็นแบบศูนย์ไปเรื่อยนะ บางทีก็ติดนลงไปนะเพราะว่ามันโดนกิเลสมันครอบงามากขึ้นนะยิ่งแก้ยากเรื่อยๆนะแต่พอเรารู้อย่างน้อยห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบสามสิบแล้วมันครอบคู่ไปะความรู้ก็จะเข้ามาแทนความหลงนะเหมืนกับความเหมืนกับแก้วน้ำเนาะแก้วน้ำถ้ามันไม่มีน้ำเนาะมันก็ว่างเปล่านั่นแหะเราค่อยๆเติมน้ําเข้าไปแม้มันยังไม่เต็มนะมันก็อย่างเรียว่ายังมีน้ํำพอได้ใช้ สติของเราก็เหมือนกันแม้มันยังไม่เต็มแต่ยังพอมีให้ใช้มันก็ยังพอดับทุกข์ได้ก็ยังดีดีกว่าน้ําเปล่าเนาะเมื่อกระหายน้ําก็ไม่มีน้ำมันกินจับทุกข์ไม่ได้นะเราต้องเติมสติเข้าไปให้มากที่สุดเนาะในชีวิตเราค่อยๆศึกษาไปแล้วสติมันจะทําให้เกิดเป็นปัญญานไม่ใช่สติใช้การรู้กายที่เคลื่อนไหวแต่มันจะกลายเป็นปัญญาในการเห็นความจริง ของชีิตเป็นความจริงว่ากายมีธรรมชาติเป็นอย่างไรเป็นความจริงว่าใจมีธรรมชาติเป็นอย่างไรเมื่อเห็นความจริงของชีวิตจิตใจเกิดการยอมรับความจริงยอมรับก็คือการเมื่อเข้าใจเกิดการยอมรับการยอมรับก็เกิการปล่อยวางทุกอย่างไม่ยึดมั่นถือมั่นว่ากายนี้เป็นของเราใจนี้เป็นของเราเห็นว่ากายนี้ก็ดีใจนี้ก็ดีเป็นแค่ของธรรมชาติที่เราหยิบเข้ามาใช้ช um enfin si ั่วคราว สำคัญเขาอย่างเรายดูของเข้ามารักษาดูแลเขาสนองผมคืนไปก็อย่างไม่บอบ้อำเสียหายเราเช้การนี้ใจนี้เป็นเรียกว่าเป็นแพรหรือเป็นพาชนะพาหนะในการข้าวปลานะข้ามจากฝั่งแห่งความทุกข์ไปสู่ฝั่งแห่งความไม่ทุกข์พนะยายามใช้การนี้ใจนี้ในการเป็นเรียกว่าเป็นเครื่อง ตกนะเครื่งตกไปสูส่สความวมิตกกันนะก็วันนี้ก็สิบเอ็ดโมงครึ่งนะแต่พวกเราก็เข้าไปรับประานอาหารนะแล้วก็ใครม่มีธุระตอน ใ, นใกล้ใกล้บ่ายโมงเขากลับมาเดินการที่ห้องนี้อีก็จะมีการปฏิบัติเะแล้วก็มีทัศนีมีสื่อนะมาเปิดนะส่งเสริมในการปฏิบัติธรรมในช่วงภาคบ่ายจนถึงบ่ายสี่โมงนะต้องบอกไว้สำหรับคนที่ ที่มาใหม่ที่ยังมีรู้ประการ ก, ก็จะกราบพราพุทธกันก็